สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนทักกรคนชอบเล่าคลิปนี้ก็มาถึงคิวของท่านสมาชิกบ้างนะครับที่ได้กรุณาส่งเรื่องราวมาให้ผมได้ถ่ายทอดเพื่อ เ, เพื่อนๆได้ฟังกันมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของคุณคุณหลอนนอนที่หลังนะครับแหม่ชื่อของออเจ้านี่สุดยอดเรื่องราวของออเจ้าก็มีอยู่ว่าไม่ย้อนกลับไปเมื่อ40ปีที่แล้วตาของผมได้เล่าให้ฟังว่าสมัยครั้งเมื่อท่านยังเป็นหนุ่มชะกันอยู่ท่านมีรูปร่างที่ใหญ่โตแข็งแรง และมีอาชีพทำนาเลี้ยงวัวการเลี้ยงของท่านก็คือเลี้ยงแบบปล่อยคือปล่อยไปเรื่อยๆแล้วตอนเย็นๆก็ค่อยไปตามกลับเข้าบ้านท่านว่าสมัยก่อนนั้นสิงสารสัตว์ก็ยังเยอะอยู่เสือก็เยอะเช่นเดียวกันทำให้ท่านต้องทำคอกเสริมไว้สำหรับหมาด้วยแล้วก็ก่อไฟให้มันที่ใต้ถุนบ้านเพราะว่าไม่เพียงแต่จะต้องระวังวัวแต่ก็จะต้องระวังหมาไว้ด้วยเพราะมีโอกาสที่เสือมันจะเข้ามาลากไปกินท่านก็คอยเะฝ้าระวังไว้และแล้วก็มีอยู่วันนึงเป็นวันที่เกิดเรื่อง เรื่องที่ว่าก็คือมันเกิดตอนประมาณตีสองท่านบอกว่าท่านกะกะเอาที่ต้องกะก็เพราะว่าไม่มีนาฬิกาเมื่อก่อนเวลานั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูเงียบเป็นปกติอากาศยามค่ําคืนอันเย็นสบายและแสนจะสงบจนกระทั่งมาถึงเวลาที่ท่านกะว่าตีสองนั่นแหละหูของท่านก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเป็นเสียงที่คุ้นหูและก็จําได้แน่นอนเสียงนั้นคือเสียงหมาร้องแต่ลักษณะของการร้องนั้นเหมือนว่ากลัวอะไรสักอย่างไวเท่าความคิดท่านขว้าปืนคู่มือแล้วก็หยิบตะเกียง กำลังจะลุกขึ้นผานก็ได้ยินเสียงเหมือนไม้กระดานบางๆถูกพังจึงได้รีบชะ ง, งูกพร้อมกับยื่นตะเกียงออกไปส่องดูและจากรัศมีของแสงตะเกียงสิ่งที่ท่านเห็นข้างล่างแนละตรงจุดที่เกิดเสียงดังมันก็คือร่างอันใหญ่โตของสัตว์ร่างหนึ่งนั่นคือเสือลายพาดกรอนนั่นเองมันกำลังตะปบหมาแล้วค่าที่ขอจนจมเขี้ยวตอนนั้นท่านนิ่งตะลึงไปครู่หนึ่งกับขนาดอันใหญ่โตของมันมันเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่เท่าที่ท่านเคยเจอมาท่านได้แต่ยื่นตะเกียงแล้วมองมันตาค้าง พรานเจ้าเสือตนนั้นก็ทําให้ท่านได้สติเพราะว่ามันปล่อยหมาหลงแล้วก็หันหน้ามาสู้กับแสงไฟคํำรามขึ้นอย่างกึกก้องแล้วก็ทําท่าเหมือนว่ากําลังจะ ก, กระโจนขึ้นมาซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับมันเพราะว่าเตทุนบ้านก็ไม่สูงมากนักท่านพงะถอยแล้วก็พินจิจามจะตั้งหลักกับอาวุธปืนที่มีอยู่ในมือหัวใจเต้นแรงทุกสิ่งทุกอย่างในเวลานั้นดูมันจะวุ่นวายไปหมดและช่วยในช่วินาทีของการลนลาร์นั้นเอง มันก็กระจนเข้ามาทางหน้าต่างก็พอดีท่านตั้งหลักได้จึงได้เหนี่ยวไกส่งลูกตะกัวอัดมันเข้าไปเต็มๆปัง้งจากแรงของกระสุนทําให้เจ้าลายพาดกลอนจนนั้นกระเด็นกลับลงไปเครื่องล่างแต่ก็ดูเหมือนว่าอํานาจของกระสุนจะทําอะไรมันไม่ได้เมื่อมันตกลงไปมันก็ร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดแต่กลับไม่หนีไปไหนลูกขึ้นหันกลับมาจ้องด้วยความโมโหแล้วก็ทํำท่าเหมือนจะกระโจนขึ้นมาใหม่ขณะนั้นตาผมจึงตั้งสติเป็นจุด ก, กระสุนลูกที่2องลงไปกระสุนเม็ดที่2นี้เป็นลูกโดด ระหว่างที่บรรจุแกกระท h o n พระคถาไปด้วยเป็นพระคถาที่แกได้มาจากพระอาจารย์ที่ลาวพร้อมกับปืนกระบอกนี้ก็เคยล้มฉางมาก่อนสติมัน่นไม่วอกแวกเล็งปลายกระบอกปืนไปที่ร่างของเสือขณะที่จ้องดูท่าทีกันอยู่นั่นเองโคมไฟของบ้านลุงถิ่นที่อยู่ใกล้ๆ ก, กันก็ลุกขึ้นซึ่งลุงถิ่นนั้นก็เป็นเพื่อนของตาแกก็กําลังส่งลํากล้องปืนไปที่เสือตัวนั้นอยู่เหมือนกันพลานเสือตัวนั้นก็กระโจนขึ้นปังๆเสีย ง, งปืนพร้อมลูกตะกัวกับลูกโดดจากปากกระบอกปืนทั้ง2ดังขึ้นเก็บจะพร้อมกัน กระสุนพุ่งออกจากลากล้องส่งกระบอกตรงไปที่เสือตุนนั้นทั้งส่งนัดเข้าเต็มเจ้าหลายพาดกรอนโดดโยงตกลงพื้นดินร้องไม่ออกได้แต่ดิน้นแล้วก็ดินด้นดิ้นจนหยุดขาดใจตายไปตาผมรู้สึกโล่งใจลวงถิ่นก็คงเช่นกันเป็นนั้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปที่ต้องสิ้นชีพไปก็มีหมากับเสือจนเมื่อตะวันขึ้นรุ่งเช้าชาวบ้านจึงได้พากันมาดูทุกคนต่างตกใจกับขนาดของมัน จากลักษณะมันเป็นเสือที่แก่พอสมควรแต่คงจะมีอะไรทําให้มันกลายเป็นเสืออาถรรพ์กระสุนธรรมดาจึงทําอะไรมันไม่ได้ตาผมและตะถิ่นจึงได้ช่วยกันจัดการแล่หนังของมันโอ้ขออภัยด้วยครับตอนแรกเรียกว่าลุงถิน่นติดปากไปลืมไปว่าเพื่อนของตาก็ต้องเรียกว่าตาเหมือนกันเข้าเรื่องกันต่อหนังเสือตัวนั้นได้ถูกเก็บไว้ในบ้านแต่เมื่อการเวลาผ่านไปก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าหนังเสือตัวนั้นได้หายไปแล้วขโมยขึ้นบ้าน ไม่รู้ว่าหนังเสือตัวนั้นไปอยู่ในบ้านของเศรษฐีท่านใดหรือเปล่าครับแล้วเรื่องราวที่ตาของผมเล่าให้ฟังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับนี่ก็คือเรื่องราวที่คุณคุณหลอนนอนทีหลังได้แชร์มาให้นะครับขอบคุณมากครับแล้วเราก็ไปกันต่อที่เรื่องราวของหลวงพี่ผู้ใช้นามแฝงว่าเสือพระนามว่าระพินไพรวันเรื่องราวที่ท่านได้แชร์มาจะเป็นอย่างไรขอเชิญรับฟังครับเรื่องนี้ผมได้ฟังมาจากพระอาจารย์สมัยตอนที่ผมยังเป็นสัมณีนภาคฤดูร้อน ซึ่งพวกผมผมนั้นเป็นเนรรุ่นพี่หลังจากเสร็จกิจพอเอาน้องเนนเข้านอนเสร็จพวกผมก็มักจะมานั่งจับกลุ่มคุยกันพอดีพระอาจารย์ท่านเดินมาตรวจความเรียบร้อยท่านเห็นว่าพวกผมยังไม่นอนกันท่านจึงได้เดินเข้ามาบอกให้พวกผมไปนอนแต่ตอนนั้นณนะขณะนั้นพวกผมก็ไม่ได้ง่วงก็เลยชวนพระอาจารย์คุยด้วยเลยแล้วก็บรรยากาศมืดๆอย่างนั้นจะคุยเรื่องอะไรกันได้นอกจากเรื่องผีพวกผมก็เลยถามท่านพระอาจารย์ว่าเคยเห็นผีบ้างไหมครับ ซึ่งท่านพระอาจารย์ท่านก็มองหน้าผู้ผมแล้วก็บอกว่าถ้าเราให้ฟังแล้วก็ต้องเข้านอนกันนะครับนั่นคือคำตอบจากผู้ผมอย่างพร้อมเพรียงแล้วเรื่องราวที่ท่านเล่าให้ฟังก็มีอยู่ว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่จังหวัดยโสธรอำเภอเลิงนกทาขณะนั้นตัวของพระอาจารย์ยังเป็นพระที่ยังไม่แกพ่พรรษายังเป็นพระลูกวัดในวัดบ้านนอกก็จะกออธิบายว่าบริเวณวัดนั้นเป็นวัดกลางทุ่งนาก็จะมีป่าบ้างเป็นบางพื้นที่ ตกุฏิแต่ละหลังนั้นก็จะสร้างห่างกันเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมได้สะดวกบรรยากาศถือได้ว่าวิเวกอย่างยิ่งกลางค่มกลางคืนไม่ต้องพูดถึงตอนนั้นท่านได้จำวัดอยู่ที่กุฏิใหม่จะมีกระจกบานเลื่อนอยู่ด้านหน้าแล้วก็หลังคาสังกสีเหล็กจะมีสังกสีที่โปร่งแสงด้วยมีไว้เพื่อรับแสงสว่างจากพระอาทิตย์ในตอนกลางวันคืนนั้นเรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณเที่ยงคืนกว่ า, วาตัวของท่านพระอาจารย์กำลังนั่งสมาธิอยู่ ขณะที่ติตกาลังสงบอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงร้องของสัมมเนนร้องมาจากไกลไกลเสียงที่ฟังก็ดูว่าจะไม่ใช่แค่รูปเดียวเสียงที่เอะอะและร้องแหววมาแต่ไกลมีใจความว่าช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกชั่วอึดใจเดียวและเสียงที่ตามมาก็คือเสียงขคาประตูพระอาจารย์ท่านจึงได้รีบเปิดไปดูก็พบกับบรรดาสัมมเนนกําลังหน้าซีดและยืนหอบเหนื่อยมีสีหน้าและแววตาตกใจมากท่านจึงบอกให้ใจเย็นๆแล้วก็สอบถามสัมมเนรคร่าวๆว่าเกิดอะไรขึ้น สมณเณรจึงเดินละล่ำละลักบอกให้ท่านฟังว่าตอนที่สมณเณรกําลังออกมาถ่ายปัสสาวะได้เห็นดวงไฟประหลาดดวงหนึ่งตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรและเมื่อต่อมาเพียงครู่เดียวเจ้าดวงไฟดวงนั้นก็ลอยใกล้เข้ามาไม่เห็นดังนั้นก็เลยร้องเรียกเพื่อนๆให้มาช่วยกันดูต่างก็พากันจ้องมองด้วยความแปลกใจไฟอะไรนั่นทําไมมันถึงได้ลอยได้และที่สําคัญมันก็กําลังลอยใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ไม่เห็นท่าไม่ดีก็เลยพา ก, กันรีบวิมาหาพระอาจารย์กันเรื่องราวทั้งหมดก็มีดังนี้แหลพระอาจารย์ก็เลยบอกพวกน้องเนนให้เข้ามาในกุฏิก่อนช่วงนั้นเป็นคืนเดือนเพนพระจันทร์สว่างเมื่อมองออกไปจากในกุฏิผ่านกระจกก็จะเห็นภาพภายนอกได้ค่อนข้างชัดเจนเราสมมเณรยังคงจ้องออกไปภายนอกด้วยความหวาดกลัวพระอาจารย์ท่านเองก็มองออกไปและเพียงไม่กี่นาทีต่อมาเจ้าดวงไฟประหลาดดวงนั้นก็ลอยมาถึงหน้ากุฏิลักษณะเป็นดวงไฟสีแดงแดงไม่สว่างมากนัก ไม่เห็นดังนั้นท่านเองก็มีอาการตกใจมันเป็นเรื่องจริงตรงตามที่เราสั ม, มนเนร์เล่าให้ท่านฟังจึงได้รีบนั่งหลงสวดมนต์ภาวนาและแผ่เมตตาระหว่างนั้นสายตาท่านก็มองเห็นดวงไฟนั้นกำลังลอยไปรอบๆกุเิแล้วก็หลับตาพยายามสวดมนต์ทั้งที่จำได้และจำไม่ได้สวดไปสักพักหนึ่งท่านก็ลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าขณะนี้ไม่เห็นดวงไฟนั้นแล้วถ้าทางว่าจะไปแล้วจริงๆสวดมนต์และแผ่เมตตาได้ผล เมื่อไม่เห็นดวงไฟแล้วจึงได้พากันจำวัดเรียกว่าคืนนั้นก็นอนรวมกันเลยกับเนนก็พากันนอนด้วยใจสงบไม่ฝุ่งซ่านทุกอย่างได้ผ่านพ้นไปแล้วแล้วก็บังเอิญที่นอนของท่านต้องนอนจำวัดตรงนั้นมันก็ตรงกับแผ่นของสังกะสีพลาสติกโปร่งแสงธรรมดาแสงจันทร์ก็ส่องรอดเข้ามาดูนวลตาแต่คืนนี้แสงมันสีแปลกๆด้วยความแปลกใจท่านก็เลยมองขึ้นไปแล้วท่านก็ต้องตื่นลงตกใจไปอีกครั้ง เพราะว่าสิ่งที่ท่านเห็นตรงแผ่นสังกสีโปร่งแสงนั้นมันเป็นภาพของใบหน้าผู้หญิงนางหนึ่งซึ่งไม่ควรเลยที่จะไปอยู่ตรงนั้นนางนั้นมีดวงตาสีเขียวเรืองแสงมีเขี้ยวเหมือนกับเสือผมเผ้าเล่าก็ดูรุงรังกำลังเอาหน้าแนบแผ่นสังกสีโปร่งแสงเห็นเข้าเต็มๆขนาดนั้นท่านพระอาจารย์เกิดอาการช็อกทําอะไรไม่ถูกปฏิบัติได้ยิ่งเดียวคือหลับตาแล้วก็สวดมนต์แต่ด้วยความขาดสติมีความกลัวมาเป็นที่ตั้งทําให้มนต่เคยท่องได้บัดนี้ลืมไปหมดเลย จึงทำได้เพียงแค่หลับตานอนตัวสั่นพร้อมกับหูที่ได้ยินเสียงกิ่งไม้หรือวัตถุอะไรบางอย่างกําลังลากไปลากมาบนหลังคาปรากฏเป็นเสียงดังครืดคราดครืดครา ด, ราดสองสามรอบตอนนั้นท่านพระอาจารย์ทําอะไรไม่ถูกแต่แล้วทันใดนั้นก็มีเสียงสวรรค์ของท่านเจ้าอาวาส ด, ดังขึ้นเสียงตะโกนเป็นภาษาอีสานจับใจความได้ว่าไผ่มันมาเฮ็ดหยังเสียงดังตอนดึกๆดื่นไปได้แล้วกลับไปรับไ ป, บไปนอนได้แล้ว หลังจากนั้นเสียงที่กำลังดังอยู่ก็หายไปทันทีเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งพระอาจารย์และสัมมาเนนที่นอนรวมกันอยู่จึงได้หลับเป็นปกติสุขจบจนเมื่อรุ่งเช้าวสว่างขึ้นท่านได้กัมชับกับสัมมาเนนว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเพราะว่าอาจจะทำให้ชาวบ้านแตกตื่นท่านจึงได้สั่งให้เงียบไว้และระหว่างที่พระกลังฉันภัตตาหารอยู่ก็ได้ยินเสียงชาวบ้านกำลังคุยกันเรื่องผู้หญิงแ ป, ปลกๆคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน ผู้หญิงคนนั้นแกรับดูดวงรับเสริมดวงชะตาอะไรประมาณนี้เข้ามาในหมู่บ้านได้สองสามวันแล้วแต่วันนี้ไม่เห็นสงสัยจะไปหมู่บ้านอื่นแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่ท่านพระอาจารย์เล่าให้ฟังก็มีประมาณนี้ครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงเสียงที่ดังครืดคราดคลืดคราดไม่ใช่เสียงของกิ่งไม้บริเวณรอบกุฏิแน่นอนเพราะว่ากุฏิวัดเป็นกุฏิที่สร้างใหม่อยู่กลางที่โล่งแจ้งจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีกิ่งไม้มาลากอยู่บนหลังคาจากเหตุการณ์นั้น ท่านพระอาจารย์ก็ได้ให้ญาติโยมนำมาต้นไผ่มาปลูกไว้รอบๆบริเวณกุฏิเลยทั้งหมดทั้งมวลก็มีเท่านี้ครับก็ต้องขอขอบคุณหลวงพี่ผู้ใช้นำแฝงว่าเสือพรานพระน้ำว่ารพินไพรวันนะครับที่ได้กรุณาแชร์เรื่องราวสนุกๆมาให้ผมถ่ายทอดและเราก็ไปกันต่อที่เรื่องราวของคุณคุณเจรากันบ้างนะครับเรื่องราวที่คุณคุญเจราแชร์มาคือเรื่องราวของบ้านคนมอนที่ตัวคุณคุญเจราหรือว่าคุณจุ่มได้ไปประสบมา ผมขออนุญาตสมมุติ์รูตัวของผมเองรับบทเป็นคุณจุ๋มนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงก็เชิญรับฟังครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ12ปีที่แล้วตอนนั้นจุ๋มเรียนอยู่ปี2องใมหาวิทยายลัยแห่งหนึ่งแถววงเวียนใหญ่ขณะนั้นจุ๋มเองก็มีแฟนแฟนของจุ๋มเป็นรุ่นน้องค่อนข้างหลายปีเขาเรียนอยู่ปวชวปี3าบ้านของแฟนจะอยู่สมุทรปราการต้องข้ามท่าเรือตรงทับระแดงแล้วก็เข้าไปในซอยค่อนข้างลึก ชุมชนผู้อาศัยแถวนั้นส่วนมากจะเป็นชาวมอนทั้งหมดจริงๆแล้วตัวจุมเองก็อาศัยอยู่คอนโดและวมาถึงช่วงที่สอบเสร็จก็จะไปอยู่บ้านแฟนบ้างบ้านของแฟนที่ว่าหลังนี้เป็นบ้านไม้สอชั้นลักษณะเหมือนกับบ้านสมัยก่อนค่อนข้างเก่ามากแต่ก็เหมือนมีการปรับปรุงยกผืนขึ้นเมื่อประเมินด้วยเสตาก็ไม่น่าจะต่ำกว่า40ปีขึ้นไปเพราะว่าก็ได้อยู่อาศัยกันมาตั้งแต่สมัยคุณตาคุณยายของแฟนบ้านเรือนแถวๆนั้นจะมีต้นจากเยอะมาก มีคลองเล็กๆไหลผ่านบรรยากาศค่อนข้างเย็นๆ เ, เพราะว่าต้นไม้เยอะและเพราะด้วยบรรยากาศทาให้นึกถึงบ้านเย็บปิกในหนังเรื่องหนังนาคยังไงอย่างนั้นแฟนของจุม๋มอาศัยอยู่กับแม่แค่สองคนตัวสุ่มเองจะไปอยู่ก็ครั้งละ 3-4 วันเท่านั้นเมื่อหลังจากสอบเสร็จปิดเทอมสุ่มก็มาอยู่ที่บ้านแฟนวันแรกที่มาถึงก็เห็นแม่แฟนอยู่บ้านพอดีเมื่อแกเห็นจุม๋ม ใบหน้าของแกก็แลดูตื่นเต้นเล็กน้อยแล้วก็รีบเปิดประตูบ้านดึงมือจุ๋มกับแฟนเข้ามาในบ้านพร้อมกับบอกว่าเยแดงที่อยู่บ้านข้างหลังเราเนี่ยตายไปตั้งหลายวันแล้วไม่มีใครเห็นปอเต็กตึ่เพิ่งมาเอาศพแกไปเมื่อกี้นี้เองจุ๋มเองก็ได้แต่นึกในใจแกจะมาเล่าให้ฟังทำไมเนี่ยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะปกติก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรไม่ใช่เรื่องที่จะน่าสนใจก็เลยไม่ได้ใส่ใจเอามาจำลืมๆมันไป วันนั้นจุ่มกินข้าวเสร็จก็อาบน้ําเข้านอนเพราะพรุ่งนี้แฟนยังมีสอบอยู่และแม่แฟนก็ต้องไปทํางานตัวจุ๋มเองเป็นคนที่เข้าห้องน้ําบ่อยมากและคืนนี้ก็เช่นกันต้องการไปสุขาอีกแล้วและด้วยความที่ว่าห้องน้ํากับห้องนอนไม่ได้อยู่ด้วยกันจึงจําเป็นต้องเดินออกมาข้างนอกด้านหลังของห้องน้ําก็จะมีต้นจากอยู่เรีงเรยงๆกันตอนกลางคืนก็จะได้ยินเสียงลมพัดต้นจากมากระทบกับผนังบ้านด้านล่างเสียงดังครืดครืด ได้ยินได้ฟังแล้วก็เสียวสันหลังอยู่เหมือนกันด้วยเหตุนี้เองทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำจุ๋มจะบังคับแฟนให้ไปยืนรอหน้าห้องน้ำเป็นประจำคืนนั้นเดินไปเข้าห้องน้ำจุ๋มสังเกตเห็นพื้นบ้านมีน้ำอะไรมากองอยู่ที่พื้นในน้ำนั้นมันมีใบไม้เละๆสีเขียวๆปนอยู่ลักษณะเหมือนใครเขียวใบไม้แล้วก็บูดลงไปที่พื้นด้วยความสงสัยจุ๋มจึงพูดขึ้นว่าเฮ้ย hey, อะไรวะพร้อมกับเดินไปหยิบไม้ตะเกียบมาเขี่ย ว, ยวๆดู แฟนที่ยืนรออยู่หันมาเจอก็แต่คอกว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าจะเห็นอะไรจะพูดจะแตะเป็นเสียงแต่คอกที่ดังมากเราก็งงมันก็แค่นี้เองทําไมต้องแต่คอกด้วยขณะนั้นจุ่มโกรธนิดนึงเพราะว่าปกติแล้วเขาไม่ใช่คนพูดเสียงดังก็เลยเข้าห้องมานอนเลยไม่ได้คุยกันพอตอนเช้าประมาณเกือบหกโมงเช้าแม่แฟนก็ออกไปส่งแฟนไปโรงเรียนแล้วก็เลยไปทํางานและนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จุ่มได้อยู่บ้านหลังนี้คนเดียวและด้วยความง่วงนอนจึงไม่ได้สนใจอะไรนอนต่อ จะมารู้สึกตัวอีกทีก็มาตอนได้ยินเสียงข้างบนชั้นสองเหมือนมีคนเดินอยู่ลืมบอกไปว่าจุ๋มนอนอยู่ชั้นล่างเสียงเดินนั้นเหมือนเดินไปเดินมาตรงเหนือที่จุ๋มนอนอยู่เนื่องจากบ้านยกพื้นสูงขึ้นจึงทําให้ชั้นล่างกับชั้นบนไม่สูงมากแล้วก็ประกอบกับเตียงนอนที่สูงด้วยจึงทําให้พื้นบ้านชั้นสองแทบจะติดศีษะเลยเวลาเดินเข้าห้องน้ําก็ต้องก้มลงเพราะว่าจุ๋มตัวสูงมาก ด้วยระยะที่ไม่ห่างกันมากนักทําให้เสียงที่เหมือนเสียงคนเดินนั้นค่อนข้างที่จะชัดเจนมากตุบตุ๊บตุ๊บด้วยความระมัดระวังจึงได้ลืมตาขึ้นมาดูแต่ก็กลับปรากฏว่าเสียงนั้นเงียบไปในตอนนั้นคิดว่าเป็นหมาที่แฟนเลี้ยงไว้มันมักชอบขึ้นไปนอนข้างบนก็เลยหลับตาลงและคิดว่าจะนอนต่อสักพักเสียงนั้นก็มาอีกตุ๊บตุบตุ๊บต๊ตต ที่เดินเดินอยู่นั้นเหมือนจะกระทืบเท้าใส่ตรงที่เรานอนอยู่เฮ้ย hey, อะไรกันเนี่ยตอนนี้เริ่มโมโหมากแล้วมันอะไรกันนักหนาเราต้องขึ้นไปจัดการกับหมาซะแล้วแต่พอลืมตาขึ้นเซนตาก็กลับมองเห็นเท้าคนยืนอยู่ข้างบนมองจากข้างล่างตรงซอกหมายหน้าเราพอดีก็เห็นเป็นเท้าของคนแก่เพราะมันดำๆด้านๆดูออกว่าเป็นเท้าคนแก่แน่ๆเท้านั้นหยุดยืนตรงหน้าเราพอดีเหมือนจะรู้ว่าเรากําลังมองอยู่แล้วก็ไม่เดินไปไหนต่อกลับยิ่งกระทึบเท้าลงใส่เราหนักมากขึ้นตึง้ง ต, ตจนพื้นบ้านชั้นสองสะเทือนฝุนที่เกาะอยู่ลมมาใส่หน้าเราเต็มๆตอนนี้ณเวลานี้และขณะ น, นี้คือตื่นแล้วแน่ใจว่าตัวเองไม่ได้หลับแต่กลับขยับไม่ได้ก็จะหยิบโทรศัพท์โทรหาแฟนแต่ก็ชาร์จแบตไว้ตรงประตูสายตาจึงได้มองไปที่ประตูก็พอดีเอประตูไม้นั้นก็เปิดออกมาปรากฏเป็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งอายุเยอะแล้วใส่ผ้าถุงลายเขียวใส่เสื้อแขนกุดสีขาว มัดผมผมหยิกๆแต่มองหน้าไม่ชัดจุงมือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาด้วยเด็กผมสั้นตัวอ้วนๆ น, นิดหนึ่งทั้งสองคนเดินเข้ามาในบ้านได้ยินเสียงคุยกันเหมือนกับคนแก่กำมังทะเลาะ ก, กับเด็กทั้งสองคนทะเลาะ ก, กันเสียงดังมากแต่ขณะ น, นี้ตัวจุมเองกลับขยับไม่ได้เหนือแตกและก็หนาวหายใจไม่เป็นจังหวะหัวใจเต้นแรงผิดปกติบรรยากาศมันช่างอึดอัดไปหมด เสียงทั้งสองคนทะเลาะ ก, กันก็ยังดังอยู่ตอนนั้นรู้สึกกลัวมากเพราะไม่คิดว่าสิ่งที่เห็นนั้นจะเป็นคนคนอื่นจะเข้ามาในบ้านไม่ได้แน่เพราะว่าประตูก็ล็อกไว้ทํายังไงดีเนี่ยขยับตัวก็ไม่ได้ได้แต่มองสองคนนั้นโยนฝ่าหม้อโยนเข้าของในบ้านใส่กันอีกเสียงดังตรงที่จุมนอนอยู่จะยิงยิงกับประตูจึงทําให้มองเห็นได้ไม่ชัดเจนนักและขณะที่กําลังพยายามมองอยู่นั้นก็เหมือนกับว่าเขาจะล่วงรู้ความคิด ตอนนั้นผู้หญิงคนที่ทะเลาะกับเด็กก็หยุดนิ่งแล้วก็เดินเข้ามาหาเราพร้อมกับพูดว่าเห็นไม่ชัดร่ไม่เพียงแค่นั้นผูดหญิงเดียวไม่พอร่างนั้นก็ลกแขนจุ่มให้ไม่อยู่ตรงประตูทีนี้เต็มๆเลยทั้งสองคนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มารุมมองดูจุ่มในสภาพที่ขยับตัวไม่ได้มันเป็นช่วงเวลาที่ทรมานเหลือเกินน้ําตาไหลออกมาจนเปียกไหลายเปียกหน้าเิ็หมดน้ํามูกก็ไหลลงมาประดังกันเรียกได้ว่าน้ําหูน้ําตาไหลออกมาหมด ใจอยากจะวิ่งออกไปให้พ้นจากจุดนั้นแต่มันทำไม่ได้ทั้งสองร่างนั้นก็ยังคงมองดูอยู่ในระยะใกล้สักพักนึกขึ้นได้ก็เลยร้ อ, องสวดมนต์ดูขอเริ่มน้ำโมตสะได้แค่นั้น<ม>ก็มีเสียงสวดเป็นภาษาที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนสวดๆกับสิ่งที่เราสวดมนต์มาทันทีเป็นเสียงผู้หญิงสวดไปด้วยหัวเราะไปด้วยทำให้จุมร้องไห้หนักกว่าเดิมแต่ก็เริ่มได้ยินเสียงสะอื้นของตัวเอง จุ่มหลับตาแล้วก็ตั้งสตินับ1 2, ึ่งสองสในใจกลั้นใจลุกขึ้นนั่งฮึ๊บปรากฏว่าตอนนี้นั่งได้แล้วใส่ตารีบมองไปหาที่โทรศัพท์แล้วก็รีบวิ่งไปหยิบทันทีพร้อมวิ่งออกมานั่งหน้าบ้านสองคนนั้นไม่อยู่แล้วตอนนี้มีแต่จุมคนเดียวที่วิ่งออกมาสภาพรองเท้าก็ไม่ใส่มีเพียงชุดนอนเท่านั้นมานั่งอยู่หน้าบ้านนาทีนั้นไม่สนคนเดินผ่านไปผ่านมานั่งร้องไห้แล้วก็ตั้งสติอยู่เหมือนกับคนบ้าไม่รู้ว่าจะบอกกับใครได้ นึกขึ้นได้รีบโทรหาแฟนก็ยังสอบไม่เสร็จอีกสชั่วโมงถึงจะกลับแฟนบอกให้โทรไปหาแม่พอเราโทรไปเล่าให้แม่แฟนฟังเขาก็ไม่ได้พูดอะไรหรือตกใจอะไรไม่ได้ตื่นเต้นไปกับสิ่งที่จุ๋มเจอเลยสรุปแล้วแม่แฟนก็ลางานมาเลยประมาณ10บนาทีแกก็มาถึงพร้อมกับปลอบใจจุม๋มบอกว่าบ้านแกไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเราก็นั่งคุยกันไปจนบ่ายแฟนก็กลับมาเขาก็คุยกันสองแม่ลูกบังเอิญจุ๋มได้ยินแฟนคุยกับแม่ว่าแม่ไม่ใช่ย้ายเหรอ ยายไม่ชอบผนนอนตื่นสายแลแย้วยายก็ห่วงผมมากด้วยผมจําได้ตอนยายยังอยู่ตอนผมนอนตื่นสายยายก็เคยมากระทืบเท้าใส่เหมือนกันแม่แฟนได้ฟังก็ไม่ตอบได้แต่เงียบวันนั้นเราจึงได้ออกไปกินข้าวกันข้างนอกบ้านกันจนจุมรู้สึกสบายใจขึ้นมามากแล้วพอกลับเข้าบ้านมาอีกทีก็ประมาณทุ่มกว่าบ้านก็ยังคงเงียบเหมือนเดิมตอนที่เดินเข้ามาในรัวบ้านจุ่มก็ยังรู้สึกกลัวๆยอมรับว่าไม่อยากเข้าไปเท่าไหร่แฟนก็เลยหัวเราะพร้อมพูดขึ้นมาเหมือนอยากให้เราสบายใจ ยายยายอย่ามาหลอกจุ่มนะถ้ายายมาหลอกแฟนผมให้กลัวอีกผมจะขายบ้านยายทิ้งเลยแล้วจะพาแฟนไปอยู่ที่อื่นจะไม่กลับมาอีกเลยคอยดูสิ้นเสียงปุ๊บตึ้งเสียงตุ้ม บ, บนชั้นสองพร้อมกับไฟในบ้านทั้งหลังดับลงทันทีเหมือนใครไปสับสวิตไฟลงยังไงอย่างนั้นแม่แฟนหันกลับมาตะคอกแฟนจุ่มเลยว่าทําไมพูดแบบนั้นอย่าพูดแบบนี้อีกนะยายไม่ชอบเสร็จแล้วแม่ก็หันกลับไปข้างบนพร้อมกับพูดว่าแม่แม่อย่ากโกรธหลานนะหลานมันยังเด็กอยู่ไม่ได้ตั้งใจพูดหรอก สิ้นเสียงแม่ไฟที่ดับกลับติดขึ้นมาอย่างปฏิหารนี่มันอะไรกันจุ๋มได้ได่ยจคิดในใจคืนนั้นก็เข้านอนแบบปกติเช้าวันต่อมาจุ๋มก็ขนของกลับคอนโดเลยจากนั้นไม่นานเราก็เลิกกันไปไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยครับนั่นนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลจากเรื่องราวประสบการณ์ของคุณจุ๋มที่เกิดขึ้นในบ้านคุณมอนก็ขอขอบคุณคุณคนหลอนนอนทีหลังกับลวงพี่นามรพินไพรวันแล้วก็คุณกุญจิรานะครับ ที่ได้กรุณาแบ่งปันประสบการณ์มาให้ผมได้ถ่ายทอดก็หวังว่าสามเรื่องที่ท่านสมาชิกได้แชร์มาจะสร้างความสุขให้กับท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังและตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมรุสติปัญญาในการดารงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ